และสั่งสอนให้สาธุชนพุทธบริสัตว์ผู้ฝ่ายรมได้หยุดภารกิจการงานต่างๆทางโลกเพื่อมาทาหน้าที่ของชาวพุทธหน้าที่ของชาวพุทธนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงสอนว่ามีอยู่สี่หน้าที่ด้วยกันคือหน้าที่ที่หนึ่ง คือการศึกษาคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่าปริยัติธรรมหน้าที่ที่สองคือการนำเอาธรรมะที่ได้ศึกษาไปปฏิบัติเรียกว่าปฏิบัติธรรมปฏิบัติไปจนกว่าจะได้บรรลุมรกผลนิพพานขึ้นมา นี่เป็นหน้าที่ที่สามคือปฏิบัติจนกว่าจะบรรลุมรรคผลนิพพานบรรลุวิมุติหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงหลังจากที่ได้หลุดพ้นแล้วที่เรียกว่าปฏิเวท <Yeah. S 1> ก็ให้นำเอาคำสั่งคความรู้ที่ได้ ที่ได้เกิดจากการศึกษาเกิดจากการปฏิบัติเกิดจากการบรรลุ ธ, ธรรมนี้นำไปเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นต่อไปนี่คือหน้าที่ที่พระพุทธเจ้าทร <c oughs> งต้องการให้สาธุชนพุทธบริษัทผู้ปรารถนาวิมุติธรรมปรารถนาการหนุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง ได้กระทากันจึงได้กำหนดวันพระขึ้นมาเพื่อให้สาธุชนจะได้มีเวลามาให้กับการศึกษากับการปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบคือปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนยกเว้นเวลาหลับให้พยายามปฏิบัติทำที่จะนำไปสู่การหลุดพ้น จากความทุกข์ทั้งหลายทมที่จะนำพาผู้ปฏิบัติให้ได้หลุดพ้นจากความทุกนี้ก็มีอยู่สามด้วยกันสามธรรมะสามขั้นด้วยกันขั้นที่หนึ่งคือการทำบุญทำทานขั้นที่สองคือการรักษาศีลและขั้นที่สามคือการภาวนา จเจริญสมถาภาวนาเพื่อทำใจให้สงบเป็นสมาธิขึ้นมาแล้วก็จเจริญวิปัสนาภาวนาเพื่อให้เกิดปัญญาที่จะนำมาไปสู่การกำจัดต้นเหตุของความทุกข์ทั้งหลายคือกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาให้หมดสิ้นไปจากใจนี่คือธรรมที่เราจะต้องมาศึกษากัน ศึกษาแล้วเราก็นําเอาไปปฏิบัติการศึกษากับการปฏิบัตินี้สามารถทําควบคู่ไปได้ไม่จําเป็นว่าจะต้องแยกให้ศึกษาให้จบพระไตยปิฎกก่อนแล้วค่อยไปปฏิบัติเราปฏิบัติทำที่จําเป็นที่เราจะต้องนํำมาไปปฏิบัติเราศึกษาเพื่อจะนํำมาไปปฏิบัติเช่นทำขั้นแรก กัรสอนให้เราทำบุญทำทาน <c oughs> เราก็มาศึกษาว่าการทำบุญทำทานนี้ <c oughs> ทำอย่างไรได้บ้าง <c oughs> เมื่อเรารู้แล้วเราก็นำเอาไปปฏิบัติได้เลย <c oughs> แล้วเราก็มาศึกษาเรื่องของการรักษาศีลว่าเราต้องรักษาศีลอะไรบ้าง <c oughs> แล้วเราก็นำเอาไปปฏิบัติพร้อมๆกับการทำบุญทำทานได้ ทำบุญทำทานรักษาศีลแล้วเราก็ศึกษาวิธีภาวนาว่าการภาวนานี้จะทําอย่างไรถึงเรียกว่าเป็นการภาวนาเมื่อเราได้เรียนรู้วิธีการภาวนาเราก็นําเอาไปปฏิบัติได้พร้อมๆกันเลยทั้งสามขั้นเพราะทั้งสามขั้นนี้ก็ <c oughs> ไม่ได้ทําพร้อมๆกันในเวลาเดียวกันเราสามารถแยกทําเป็น ต่างเวลาต่างเวลาได้ภายในวันเดียวกันเช่นข้อหนึ่งทรงสอนให้เราทําบุญทําทานเสียสละแบ่งปันเงินทองทรัพย์สินต่างๆที่เรามีเหลือกินเหลือใช้ที่เราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเก็บเอาไว้เก็บเอาไว้ก็ไม่ได้ใช้ตายไปก็ไม่ได้เอาไป ให้เอามาทำประโยชน์คือการมา <c oughs> ชำระกิเลสตัณหาตัวที่คอยสร้างความทุกข์ให้กับใจ<ม>การทำบุญทำทานเป้าหมายหลักก็คือการหยุดความอยากต่างๆเช่น<ม>ถ้าเรามีเงินแล้วเราอยากจะไปซื้อของฟุ่มเฟือยอันนี้ความอยากซื้อของฟุ่มเฟือยนี้ก็ถือว่าเป็นกิเลส หรือความอยากไปเที่ยวไปหาความสุขจากการเสบรูปเสียงกลิ่นรสผดสะพ้าชนิดต่างๆไปดู <c oughs> ไปฟังมหาสศบันเทิงไปดื่มไปรับประทานอาหารเครื่องดื่มที่ไม่จำเป็นที่จะต้องดื่ม <c oughs> อันนี้เราก็ต้องควรวิธี กำจัดความอยากเหล่านี้ก็คือเอาเงินที่เราจะมาใช้กับความอยากเหล่านี้เอาไปทำบุญทำทานแทนเอาไปสงเคราะห์โลกไปช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากหรือไปสนับสนุนองค์กรที่ทำคุณทำประโยชน์ให้แก่แก่สาธารณะหรือว่าไปตอบแทนบุญคุณกับท่านผู้ที่มีพระคุณกับเรา เช่<จ>นทำบุญกับพ่อกับแม่กับปู่ย่าตายายกูบาอาจารย์ที่ได้มีความเมตตาให้ความเอ็นดูช่วยแล้วช่วยเหลือเรามาดูแลเรามาให้เราเจริญตอบโตขึ้นมาได้จนถึงปัจจุบันนี้บุคคลเหล่านี้ถือว่ามีพระคุณกับเรา การได้ตอบแทนบุญคุณก็ถือว่าเป็นการทำบุญที่ประเสริฐทำบุญที่ยิ่งใหญ่ว่าเป็นการแสดงถึงความดีงามของผู้ที่มีความกตัญญูกตวเวทีนี่เอง น, นการทำบุญนี้สามารถทำได้ในหลายรูปแบบสามารถทำได้กับหลายองคอ์กรหลายบุคคลด้วยกัน ไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องทำกับวัดเพียงแห่งเดียวทำกับพระภิกษุเพียงเพียงผู้เดียว<ม>เราสามารถทำกับบุคคลต่างๆได้ทั้ง ท, ทั้งบุคคลที่มีพระคุณกับเราทั้งบุคคลที่ไม่มีพระคุณกับเราหรือแม้บุคคลที่มี <c oughs> ความไม่ปรารถนาดีกับเราเราก็สามารถทำบุญกับเขาได้ การทำบุญแล้วจะทำให้ใจเราเย็นจะทำให้ใจเราสบายจะทำให้ใจเราอิ่มแล้วจะทำให้เรากำจัดความอยากที่จะใช้เงินแบบสุรุ่ยสุร่ายใช้เงินแบบฟุ่งเฟ้อเ ห, อเหอใช้บุญใช้เงินแบบ <c oughs> ไม่จำเป็นได้เพราะว่าเวลาเราได้ทำบุญแล้วความอยากที่จะใช้เงินแบบสุรุ่ยสุร่ายแบบ ฟุ้งเฟอ้เอเอมันก็จะถูกกําจัดไปทุกครั้งที่เราอยากจะใช้เงินแบบฟุ้งเฟอ้เอเอซื้อข้าวซื้อของที่ไม่จําเป็นซื้อของหรูหราซื้อของอะไรที่เราคิดว่ามันทําให้เรามีความสุขแต่มันเป็นความสุขแบบประเดียวประดาวเป็นความสุขแบบยาเสพติดเวลาเราเสพ ย, ยาเสพติดนี่เราก็จะมีความสุข แต่พอฤิ์ของยาเสษติดจางหายไปใจเราก็จะรู้สึกเศร้าส้อยหงอยเหงาเราจะต้องคอยหายาเสษติดมาเสพอยู่เรื่อยๆถ้าไม่สามารถหามาเสพได้ก็จะเกิดอาการซึมเศร้าขึ้นมาเกิดอาการทุกข์ใจไม่สบายใจต่างๆขึ้นมาจึงพยายามคอยกำจัดการใช้เงิน ไปกับสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจถึงแม้จะให้ความสุขก็เป็นความสุขชั่วประเดียวประดาแต่จะมีความทุกข์จะมีโทษตามมาในภายหลังสู้นเาเงินทองไปทำบุญทําทานดีกว่าเพราะว่าการทำบุญทําทานนี้ไม่ไม่ได้เป็นการไปซื้อยาเสพติดเป็นเหมือนกับการไปซื้ออาหาร <c oughs> มาให้กับใจ เวลาใจได้ทำบุญแล้วใจจะมีความรู้สึกอิ่มเอิบใจสุขใจสบายใจ <c oughs> แล้วก็จะไม่หิวโหวยกับของฟุ่มเฟือยต่างๆจะไม่หิวโหวยกับความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏพทธะ <c oughs> ความสุขที่ได้จากการทำบุญนี่ <c oughs> ก็จะสะสมอยู่ในใจไปได้เรื่อย <c oughs> จะทาให้ใจมีความสุขมีความสบายใจ เวลาที่นึกถึงบุญที่ได้เคยทําไว้ถึงแม้เวลาจะผ่านไปเพาะนานพอสมควรเวลาเนื้อขึ้นมาแล้วก็จะเกิดความรู้สึกสุขใจสบายใจขึ้นมาและบุญนี่แหละที่จะเป็นผู้ที่จะพาดวงวิญญาณของเราไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆต่อไปเวลาที่ร่างกายของเราตายไปแล้วเวลานั้นบุญจะเริ่มทําจะเริ่มออกผลขึ้นมา ตอนที่ร่างกายเรายังมีชีวิตยอยู่นี้บุญยังไม่ได้สแสดงผลมากน ะ, สะแสดงบ้างบางครั้งบางข่ า, บ า, ขาวบางเวลาเวลาที่เราคิดถึงบุญที่เราได้ทำไว้หรือสแสดงผลในรูปลักษณะของการทำให้ใจเรามีความอิ่มมีความพอไม่หิวโหย <c oughs> กับความสุขทางด้านรูปเสียงกลิ่นรสผดสภาพชนิดต่างๆ ความสุขทางด้านลามยศสารเสรนี่คืออนิสงประโยชน์ของการทำบุญทาทานเป็นการช่วยกำจัดกิเลสตัญหาตัวเหตุตัวที่สร้างความทุกข์ความสร้างความไม่สบายใจให้กับใจ <c oughs> เราสามารถทำไปตามกำลังของเรามีมากมีน้อยเราก็ทำไปไม่จำเป็นจะต้องไปเปรียบเทียบ การทาของเรากับผู้อื่นเพราะกำลังของการทาบุญของแต่ละคนนี้มีไม่ไ ม, ไม่เท่ากันกำลังทรัพย์ของแต่ละคนนี้มีมากน้อยไม่เท่ากันแต่กำลังบุญที่ทำนี้สามารถทำเท่ากันได้ถึงแม้ว่ากำลังทรัพย์จะต่างกันเช่นคนหนึ่งทำทำบุญร้อยบาทอีกคนหนึ่งทำบุญพันบาททั้งสองคนนี้อาจจะได้บุญเท่าๆกันก็ได้ เพราะว่าการทําบุญจริงๆนี้เรานับเราเราวัดที่ทรัพย์สินสัดส่วนของทรัพย์สินที่เราบริจาคไปคือเช่นร้อยละสิบสมมติว่าเรามีเงินเดือนหมื่นหนึ่งเราทําบุญร้อยละสิบเราก็บริจาคไปพันหนึ่งอีกคนหนึ่งมีเงินเดือนแสนหนึ่งเขาทําบุญ ร้ยละสิบเขาก็บริจากไปหมื่นหนึ่งอันนี้ก็ถือว่าได้ทําบุญเท่ากันคือทําบุญในสัดส่วนที่เท่ากันของทรัพย์สินที่ของตนมีอยู่ความรู้สึกภายในใจก็เหมือนกันความรู้สึกภายในใจของคนทั้งสองคนก็เท่ากันเพราะได้เสียสละแบ่งปันในจํานวนที่ในจํานวนที่เท่ากันที่ว่าด้วยทรั วัดด้วยสัดส่วนของทรัพย์สินคือร้อยละเท่าไหร่ของทรัพย์สินที่เรามีอยู่ น, น, นี่คือการทำบุญคนมีเงินน้อยจึงทำน้อยแต่ก็ได้บุญเท่ากับคนที่มีเงินมากที่ต้องทำมากกว่าเราไม่ได้วัดที่ตัวเลขของเงินทำบุญแต่เราวัดที่สัดส่วนของทรัพย์สินที่เราได้เบยิจากไป ท, ที่เราได้ให้ไป อันนี้แหละคือบุญความรู้สึกจะเท่ากันตายไปก็จะไปอยู่สวรรค์ชั้นเดียวกันถึงแม้ว่าจะบริจาคเงินไม่เท่ากันก็ตามจะมีต่างกันก็คือถ้าพบหน้าชาติหน้ากลับมาเกิดคนที่ทำบุญน้อยก็จะมีเงินเงินรออยู่น้อยคนที่ทำางินทบุญมากบริจาคเงินมากชาติหน้ากลับมาเกิดก็จะมีเงินมากรออยู่ ก็จะมีจะมีความร่างมั่งคั่งต่างกันนั่นเองคนที่บริจาคพันหนึ่งก็จะมีเงินน้อยกว่าคนที่บริจาคหมื่นหนึ่งรอเราอยู่ข้างหน้าเพราะเงินที่เราเบริจาคไปนี้เป็นเหมือนเงินที่เราเอาเข้าธนาคารบุญคนนึงเอาเข้าไปพันหนึ่งอีกคนนึงเอาเข้าไปหมื่นหนึ่งพอชาติหน้าเราก็ไปเบิกจากธนาคารบุญคนที่ <c oughs> บริจากพันหนึ่งก็รับก็เบิกได้พันหนึง่งคนที่บริจากหมื่นหนึ่งก็จะได้เบิกได้หนึ่งหมื่นเป็นต้นอันนี้จะมีความต่างกันในอ น, นิสงส์ที่จะเกิดขึ้นต่อไปในภพหน้าชาติหน้าแต่ในความรู้สึกภายในใจนี้คนที่ทำบุญร้อยละสิเท่ากันนี้จะมีความรู้สึกมีความสุขมีความอิ่มเอิบใจเท่ากัน น, นี่คือเรื่องของการศึกษาวิธีการทำบุญทำทานทำได้กับทุกบุคคลแม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็ทำได้เราจะเลี้ยงเลี้ยงสุนัขจรจัดก็ได้ช่วยเหลือสัตว์ที่จะถูกจับไปฆ่าเอาไปปล่อยปล่อยนอกปล่อยปลาไปถ่ายชีวิตวัวควายเป็นต้นเหล่า น, นี้ก็ถือว่าเป็นการทำบุญทำทานเช่นเดียวกันได้บุญเหมือนกัน <c oughs> เมื่อเรารู้แล้วเราก็ทําไปตามกําลังของเราเราทําทานไปตามกําลังของเราทําให้มันเป็นติดเป็นนิสัยถ้าทําได้ทุกวันจะดีโดยจากวันละเล็กวันน้อยให้มันติดเป็นนิสัยในการชอบทําบุญทําทานขึ้นมา <c oughs> <c oughs> ถ้าเราไม่มีที่ที่เราจะไปทําบุญเราก็เอาเงินนี้เก็บไว้ในกระปุกหรือว่าเก็บไว้ในบัญชีธนาคารก่อนก็ได้ แล้วมันไหนที่เราอยากจะทําบุญเราก็อาจจะเบิกมาแล้วก็เอาไปทําบุญหรือสมัยนี้ก็สามารถโอนเงินเข้าบัญชีของผู้รับได้เลยนี่คือการทําบุญทําทานเป็นขั้นที่หนึ่งของการปฏิบัติเพื่อที่จะได้กําจัดกิเลสตัณหาตัวที่จะมาสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายให้กับใจนะ พอเราทำบุญทาทานได้แล้วเราก็จะสามารถทำขั้นที่สองได้คือการรักษาศีลเพราะว่าการทำบุญนี้จะทำให้เรามีความเมตตาขึ้นมาคือเราจะมีแต่ความคิดที่ดีปรารถนาดีต่อผู้อื่นเราก็จะไม่ชอบเบียดเบียนผู้อื่นไม่อยากเบียดเบียนผู้อื่นเวลาเราทำอะไรเราก็จะคอยระมัดระวังดูว่าทำแล้วไปทำให้ผู้อื่นเขา เสียหายเดือดร้อนหรือเปล่ามันก็จะทําให้เรามีศีลขึ้นมาโดยอัตโนมัติเ mm. พราะศีลก็คือการละเว้นจากการเบียดเบียนผู้นั่นเองเช่นข้อ1ก็ละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตของผู้นั้นสก็ละเว้นจากการลักทรัพย์สละเว้นจากการประพฤติผิดในการมสละเว้นจากการพูดปด แล้วก็ห้าลาเว้นจากการเสพอบายมุก ค, คือสุรายาเมาที่จะทำให้ขาดสติที่จะทำให้ไปทำบาปได้ง่ายนั่นเอง <c oughs> นะแล้วก็มาเรียนรู้ว่าเรามีศีลอะไรที่เราต้องรักษาศีลก็มีหลายระดับระดับแรกก็ศีลห้าตามมาด้วยศีลแปดหรือศีลสิบหรือศีลสองรอยิบเจ็ดแล้วแต่ว่าเราอยากที่จะเลือก รักษาศีลประเภทไหนเพราะการรักษาศีล น, นี้ก็เป็นการกาจัดเนื้อควบคุมระ ง, งับกิเลสตัญหาต่างๆไม่ให้ทำงานได้สะดวกหรือไม่ให้ทำงานได้เลยเช่นเวลาเราโกรธใครเราอยากจะทำร้ายพูดถ้าเรารักษาศีล <c oughs> ไม่เบียดเบียนพูดเราก็จะระ ง, งับความโกรธนี้ได้ไม่ไปทำร้ายพูดเขา ถ้าเราโลภอยากได้ข้าวของเงินทองอะไรที่เราไม่มีและเราไม่สามารถไปซื้อไม่มีกําลังไปซื้อมาได้แล้วเราคิดอยากจะไปขโมยของของคนอื่นขโมยเงินของคนอื่นนี้ถ้าเรารักษาศีลเราก็จะทําไม่ได้เราก็จะระ ง, งับความโลภจากการที่เราจะไปหาข้าวของโดยวิธีที่ไม่มชอบได้ อ น, นี้ก็คือเป็นการเป็นการรักษาศีลเริ่มต้นเราก็มารักษาศีล5ก่อนถ้ายังไม่สามารถรักษาทั้ง5ข้อได้พร้อมๆกันก็เลือกรักษาข้อไหนที่เราสามารถรักษาได้ไปก่อน mm hmm. เช่นเราอาจจะรักษาศีลข้อ5ไว้นะครับรักษาข้อ5คือละเว้นจากการดื่มสุรายาเมาเพราะว่าถ้าเราไม่เมาแล้ว เราก็จะได้ไม่ไปทําผิดไปทำบาปนะ่ได้ง่ายแต่เวลาเราเมาแล้ว เ, เราก็อาจจะไม่มีสติคอยประคับประคองใจก็อาจจะทําให้เราไปทําสิ่งที่เสียหายหเดือดร้อนแก่ผู้อื่นได้ก็ค่อยๆเพิ่มการรักษาศีลให้มากขึ้นรักษาละรักษาข้อที่ห้าได้แล้วก็มารักษาข้อที่สี่ไม่พูดปดรักษาข้อที่ สี่แล้วก็มารักษาศีลข้อที่สามไม่ประพฤติผิดในกรรมเกิดจะจะมีการเสพกรรมก็ต้องเสพกับคู่ครองของเราเท่า น, นั้นอย่าไม่ไปเสพแบบกับใครทั่วไป <c oughs> <c oughs> แล้วก็มาเพิ่มการรักษาศีลข้อที่สองคือละละเว้นจากการลักทรัพย์ช่อกงข้าวของเงินทองของผู้อื่นแล้วก็มา รักษาศีลข้อที่หนึ่งคือไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแม้แต่มารางสัตว์กัดต่อยก็ไม่ไม่ไปทำร้ายเขาทำได้อย่างมากก็คอยไล่เขาปัดเขาไปแต่จะไม่ทำร้ายชีวิตของเขาเป็นต้นถ้าค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆเราก็จะค่อยๆสามารถรักษาศีลได้เพิ่มขึ้นไปเองเบื้องต้นอาจจะรักษาเพียงแต่วันใดวันหนึ่งเช่นวันนี้วันพระก็มารักษาศีลกัน ศินห้าก่อนแล้วต่อไปก็ขยายผลจากรักษาศินห้าเฉพาะวันพระมาเป็นเอวันโกนวันก่อนวันพระวันหลังวันพระเมื่อเรารักษาสินเราจะสังเกตได้ว่าใจเราจะเย็นใจเราจะสบายขึ้นใจเราจะไม่วุ่นวายใจ <c oughs> เราจะรู้สึกสบายมันก็จะทําให้เราเห็นคุณประโยชน์ของการรักษาศีลต่อไปเราก็สามารถจะรักษาศีลห้าได้ทุกวัน แล้วยิ่งถ้าเรารู้ว่าอั น, นิส้ส์ของศีลห้านี้จะทําให้เรานี้ไม่ต้องไปเกิดนิบายนะประโยชน์ของการรักษาศีลห้าก็คือการปิดประตูอบายถ้าเราไม่ทํำบาปเวลาตายไปดวงวิญญาณของเราจะไม่ถูกบาปนี้ดึงไปเกิดนิบายจะไม่ต้องไปเกิดเป็นเปรตเป็นหนศ ร, รกายใบตกนรกหรือไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเราจะสามารถไปเกิดเป็นมนุษย์ต่อได้เลย น, นี่คืออา น, นิสงค์ของการรักษาศีล <c oughs> แล้วถ้าเราอยากจะรักษาศีลเพิ่มคือถ้าเราอยากจะปฏิบัติทำขั้นต่อไปคือการภาวนาจิตตภาวนาการที่เราจะปฏิบัติจิตตภาวนาได้ผลดีเราจะต้องมีเวลาให้กับการปฏิบัติมากขึ้นเวลาเราก็ต้องระ ง, งับกิจกรรมทางอื่นไปคือระ ง, งับกิจกรรมทาง ทางการมาคุณไปคือเราต้องมาละเว้นจากการไปเที่ยวไปหาความสุขจากมหบบรศสพบันเทิงต่างๆไปงานเลี้ยงต่างๆไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆถ้าเราอยากจะภาวนาเราก็จะต้องมารักษาศีลแปดเพิ่มศีลอีกสมข้อศีลข้อสจากการไม่ประพฤติผิดประเพณีประพฤติผิดในการมก็มาเป็นการไม่ประพฤติ ไม่เสพการเลยถือศีลพรหมจรรย์คือไม่ร่วมหลับนอนกับใครแม้แต่คู่คร อ, องของตนเอง <c oughs> แล้วก็มาเพิ่มศีลข้อหกไม่กินมากเกินไปกินเฉพาะกินให้อยู่กินเพื่ออยู่ก็พอไม่ได้อยู่เพื่อกินแล้วก็มาละเว้นจากการ <c oughs> ดูมหรสลศพบันเทิงต่างๆละเว้นจากการเสริมสวยความงามของทางร่างกาย เอาเวลาเาที่มาใช้กับกิจกรรมเหล่านี้มาให้กับการปฏิบัติเจริญสตินั่งสมาธิเพื่อให้เกิดความสงบขึ้นมาในใจแล้วก็นอนให้น้อยลงวิธีนอนให้น้อยลงก็ไม่นอนบนเตียงที่มีฟูกน้านหนาเตียงสารานให้นอนบนเตียงที่ปูที่มีพื้นแข็งๆปู ด, ด้วยผ้าหรือปู ด, ด้วยเสือ่อถ้าไม่นอนบนเตียงก็นอนกับพื้นก็ได้ พอมันจะได้นอนไม่มากเพราะว่ามันไม่สบายร่างกายต้องการพักผ่อนหลับนอนเวลานอนบนพื้นแข็งๆมันก็จะหลับได้พอมันได้พักผ่อนพอสี่ห้าชั่วโมงก็จะตื่นขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นก็จะไม่อยากจะนอนต่อเพราะมันไม่สบายถ้านอนมันฟูกหนานๆะมันสบายก็อยากจะนอนต่อมันก็จะทำให้เสียเวลาของการปฏิบัติไปนะเราต้องการเอาเวลา ให้กับการปฏิบัติให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยการถือศีลแปดเราก็จะได้มีเวลาให้กับการปฏิบัติได้ทั้งวันทั้งคืนเพราะว่าถ้าเราโมแต่มายุ่งกับกิจกรรมเหล่านี้กิจกรรมทางการเราก็จะไม่มีเวลาให้กับการเจริญสตินั่งสมาธิปฏิบัติธรรมนั่นเองพอเราถือศีลแปดแล้วเราก็จะมีเวลาแทบทั้งวันเลยยกเว้นเวลาที่เรารับประทานอาหารเท่านั้น นอกจากนั้นเราก็จะมีเวลามาเจริญสตินั่งสมาธิทำใจให้นิ่งให้สงบขึ้นมาเวลาใจนิ่งใจสงบความทุกข์ต่างๆก็จะหายไปชั่วคราว <c oughs> <c oughs> เพราะความอยากนี้ได้ถูกกำลังของสติของสมาธิกดเอาไว้ไม่สามารถออกมาทำงานทำการได้ <c oughs> ความทุกข์ก็เลยหายไปมีแต่ความสุขหลงเหลืออยู่ภายในใจเพียงอย่างเดียวแต่พอออกจากสมาธิมา พอใจเริ่มคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เกิดความความโลภความอยากต่างๆขึ้นมาเกิดความโกรธขึ้นมาความทุกข์ก็จะตามขึ้นมาใหม่ถ้าอยากที่จะกําจัดความโลภความโกรธความหลงที่สร้างความทุกข์ให้กับใจในขณะที่ออกจากสมาธิมาก็ต้องมาใช้ปัญญาเรียกว่าวิปัสสนาภาวนาพิจารณาสิ่งที่ทําให้เราโลภสิ่งที่เราอยากว่ามันเป็นทุกข์เพราะว่ามันเป็นไม่ของไม่เที่ยงเป็นของชั่วคราว ได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องหมดไปพอหมดไปมันก็จะทําทให้เราเศร้าเราทุกข์ใจขณะ ท, ที่อยากได้แล้วเราเรายัางไม่ได้แล้วมันก็ทําให้ใจเราวุ่นวายใจเรากินไม่ได้นอนไม่หลับกระสับกระสา่ายถ้าเราตัดความอยากเหล่านี้ได้ไปเพราะเห็นว่ามันเป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจด้วยปัญญาใจของเราก็จะสงบเวลาไม่มีความอยากถึงแม้จะไม่ได้เข้าสมาธิ ใจก็มีความสงบเหมือนกับขณะที่เข้าสมาธินี่คือวิธีกำจัดความทุกข์อย่างสิ้นเชิงด้วยกําลังของปัญญาแต่ารจะแต่จะทำด้วยปัญญาเพียงอย่างเดียวก็ไม่สามารถทําได้เพราะว่าปัญญาที่ไม่มีสมาธิจะไม่มีกําลังใจที่ไม่มีสมาธินี่ถึงแม้จะรู้ว่าความอยากเป็นต้นเหตุของความทุกข์และสิ่งที่ต้องการก็เป็นความทุกข์ก็ยังไม่สามารถ สู้กับความอยากได้แต่ถ้าได้ฝึกสตินั่งสมาธิทำใจให้สงบให้เข้าสมาธิได้ใจก็จะมีกำลังมีอุบเบกขาสามารถวางเฉยได้เวลาเกิดความอยากพอรู้ว่าความอยากนี่ไม่ดีก็หยุดความอยากได้พอรู้ว่าสิ่งที่อยากจะทำให้เราทุกข์เราก็จะไม่อยากได้ขึ้นมา <c oughs> นี้คือขั้นตอนของการศึกษาขั้นตอนของการปฏิบัติศึกษาไปปฏิบัติไป ความทุกข์ที่เป็นสิ่งที่เราต้องการกาจัดมันก็จะลดน้อยถอยลงไปตามลำดับตั้งแต่เริ่มต้นของขั้นของขั้นที่หนึ่งไปเลยทำบุญทําทานก็สามารถระ ง, งับความทุกข์จากการที่อยากจะใช้เงินทองแบบฟุ่มเฟือยได้แล้วก็ระ ง, งับความทุกข์จากการรักษาศีลทำให้ใจเราสบายแลาไม่ทำความเสียหายให้กับผู้อื่นใจเราก็ไม่ทุกข์เดือดร้อน แล้วก็มารักษาศีลแปดแล้วก็มาปฏิบัติจิตตภาวนาเจริญสติคอยควบคุมใจไม่ให้คิดปรุงแต่งให้ได้พอใจหยุดความคิดปรุงแต่งได้ใจก็จะสงบแล้วก็จะเกิดความสุขที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงนีน่คือเรื่องของหน้าที่ของชาวพุทธเราที่พระเจ้าต้องการให้เรามากระทํากันในวันพระเช่นวันนี้ซึ่ง วันนี้เราก็ได้มาทำบางส่วนแล้วคือขณะนี้เราก็ได้มาศึกษามาฟังเทศฟังธรรมหน้าสถานที่แห่งนี้เราก็จะมีแบ่งเวลาของการฟังธรรมกับการปฏิบัติธรรมเป็นสองช่วงด้วยกันช่วงแรกก็คือการฟังเทศฟังธรรมเป็นการศึกษาปริยัติธรรมช่วงที่สองก็จะเป็นการปฏิบัติคือการเจริญสตินั่งสมาธิทาใจให้นิ่งให้สงบ ก็เป็นช่วงของการปฏิบัติธรรมช่วงแรกก็30นาทีช่วงที่สองก็อีก30นาทีซึ่งช่วงแรกนี้ก็จะใกล้กับหมดเวลาพอดีเรื่องของการแสดงธรรมสำหรับวันนี้ก็จะขอยุติไว้เพียงเท่านี้แล้วอีก30นาทีต่อไปนี้เราก็จะมาฝึกสตินั่งสมาธิกันเพื่อทำใจให้นิ่งให้สงบให้เกิดความสุขขึ้นมา ซึ่งจะเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงถ้าเราได้ความสุขจากสมาธิแล้วเราจะสามารถตัดการจะหาความสุขทางกามได้ทางรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะได้เพราะความสุขที่ได้จากสมาธินี้มันดีกว่ามันเหนือกว่าความสุขที่ได้จากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนั่นเองดังนั้นต่อไปนี้เราจะมา <c oughs> นั่งสมาธิกันต่อโดยการจเจริญสติ เวลานั่งสมาธินี้เราจะต้องมีอะไรผูกใจไว้ไม่ให้ใจลอยไปกับความคิดต่างๆ <c oughs> สิ่งที่จะผูกใจนี้เราเรียกว่ากรรมฐานกรรมฐานนี้ก็เป็นอารมณ์ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงกําหนดให้เรามาใช้การผูกใจถ้าเรามีอารมณ์ผูกใจใจเราก็จะไม่สามารถลอยไปตามกระแสของความคิดต่างๆได้ เมื่อเราไม่ลอยไปกับกระแสของความคิดต่อไปความคิดนั่นก็จะหายไปแล้วความคิดก็จะนิ่งใจก็จะนิ่งใจก็จะสงบงั้นอย่านั่งเฉยๆเวลานั่งสมาธินี้ต้องมีอะไรมาคอยกํากับใจนะกรรมฐานนี้ก็มีหลายหลายรูปแบบด้วยกันพุทธานุสตินี้คือการนัลิกถึงพระพุทธเจ้าก็เป็นกรรมฐานอย่างหนึง่งอานาปานสติการดูลมหายใจเข้าออกก็เป็นกรรมฐานอีกอย่างหนึง่ง มีหลายอย่างด้วยกันในอนุสตินี่มีอยู่ถึงสิบชนิดด้วยกันพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติอาณาปานสติกายกตาสติการการดูพระร่างกายมรณานุสติการนะลึกถึงความตายกายกตาสตินี้ก็คือการดูอาการสามสิบสองของร่างกายก็ได้อารมณ์เหล่านี้จะช่วยทำให้ใจนิ่งให้ใจสงบได้ เพราะฉะนั้นเวลานั่งนี้ขอให้ญาติโยมผู้ปฏิบัตินี่ให้มีมกรรมฐานไม่เป็นเครื่องผูกใจแล้วแต่เราจะชอบอันไหนเราก็สามารถใช้อันนั้นได้เพราะว่าการทํำให้ใจให้สงบด้วยด้วยสมาธิทำใจให้สงบให้เป็นสมาธิด้วยกรรมฐานนี้มีหลากหลายวิธีด้วยกันไม่จําเป็นจะต้องทําวิธีเดียวกันหมดนะ จ, ะจะดูลมหายใจก็ดูที่ปลายจมูกดูเฉยเฉไม่ต้องบังคับลม ดูลมเข้าลมออกไม่ต้องตามลมเข้าลมออกดูที่ปลายจมูกดูที่จุดเดียวเพื่อใจจะได้นิ่งถ้าตามเข้าตามออกมันจะไม่นิ่ง <c oughs> ใจลมจะหยาบจะละเอียดก็รู้ว่าหยาบหรือละเอียดสั้นหรือยาวก็รู้ว่าสั้นหรือยาวลมหายไปก็รู้ว่าหายไปให้ดูอยู่ที่จุดเดิมแม้กระทั่งไม่มีลมหายใจก็ดูที่จุดเดิมเพราะตอนนั้นจุดมันจะใกล้เข้าสู่ความสง บ, บเต็มที่แล้วถ้าเราไม่ขยับเขยื้อนเดี๋ยวมันก็รวมเป็นหนึ่งขึ้นมา สงบเป็นสมาธิขึ้นมาถ้าใช้คําบริกรรมพูดโธรก็พูดโธไปจนกว่ามันจะวูบตกจากที่สูงลงมามันก็จะนิ่งสงบถ้าดูลมไม่ได้พูดโธไม่ได้จะสวดมนต์ไปก่อนก็ได้หรือจะใช้วิธีอื่นก็ได้ที่เราถนัดข้อสําคัญต้องมีอะไรผูกใจไว้เพื่อจะได้ไม่ไหลไปตามความคิดต่างๆแล้วก็ไม่ไหลไปตามสิ่งที่ปรากฏจะอาจจะปรากฏขึ้นมาขณะที่เรานั่งสมาธิอาจจะเห็นภาพเห็นรูป ได้ยินเสียงหรืออะไรก็ตามอย่าไปสนใจให้ดึงกลับมาเอาใจกลับมาให้อยู่กับกรรมฐานเพราะถ้าเอาจากกรรมฐานไปแล้วใจจะไม่นิ่งใจจะไม่มีวันสงบได้นะเราต่อไปนี้เราก็จะมานั่งสมาธิกันจนกว่าจะหมดเวลาอตอนนี้เวลาสำหรับนั่งสมาธิก็ได้หมดลงแล้วก่อนที่จะเลิก ขอใสังเกตดูว่าวันนี้นั่งแล้วเป็นอย่างไรถ้านั่งแล้วสงบดีก็ขอขอให้เอาวิธีที่เรานั่งในวันนี้ไปทําต่อไปในข้าวหน้าข้าวหน้าเวลานั่งอย่าไปอยากให้มันสงบเหมือนวันนี้เพราะมันจะไม่สงบด้วยความอยากมันจะสงบตามวิธีที่เราได้ทําในวันนี้เพราะฉะนั้นคอยจดจำดว้วยวันนี้เรานั่งแล้วมันสงบได้อย่างไรมีสติมากน้อยเพียงไร ถ้ายัางนั่งแล้วไม่สงบก็แสดงว่าสติเรายัางมีน้อยก็พยายามฝึกสติให้มากขึ้นในระหว่างวันก่อนที่เราจะมานั่งสมาธิและต่อไปนี้ก็จะขออนุมโมทนาให้พระยะทาวเรวาหาปุราปาริปุเรนติสากหลังเอวามีวะอิโตทินังเปตานังอุปกะปติ อิจิตังปฏิตังตุมหังคิดเมวาสมมิตตุสัพเพปเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตรายอสุขิติขายุโกภวะ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 ที่เราจะคุยกันถามตอบกันพอหลังจากเลิกแล้วจะไม่สะดวกต้องขออาภัยด้วยถ้าไม่อยากจะถามเองจะเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้ผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่การเปลี่ยนครับพระอาจารย์วันนี้มีผู้ติดตามทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติส2 9ย่ท่านทาง youtube พระอาจารย์สุชาติสามย่สท่าน ทาง t o ทู u ด็อกเรวีท่านทางวิทยุออนไลน์9ท่านทางขับเฮาส์6ท่านผู้รับฟังหน้ากุฏิ232สาท่านรวมทั้งหมด9 3้า้อยสาท่านครับครับนวัศการพระอาจารย์เจ้าค่ะยังไม่มีคำถามเข้ามาค่ะพระอาจารย์เบื้องตน้น ไม่มีคำถามมันแสดงว่าฟังทำแล้วเข้าใจกันก็ดีถามไหมคะถามได้นะไม่เป็นไรไม่เก็บตังค์คือการถามก็ถ้าไม่มีความจำเป็นจะถามก็ไม่ถามก็ดีเพราเราไม่จำเป็นจะต้องรู้ทุกเรื่องอ่ะ พระพุทธเจ้าบอกว่าธรรมที่พระเจ้าทรงรู้ทรงเห็นนี่เป็นเหมือนใบไม้ในป่านี่ส่วนธรรมที่พระเจ้ามาสอนพวกเรนี่เป็นเหมือนใบไม้ในกามือมีจำนวนน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับธรรมะที่ท่านได้ทรงรู้ทรงเห็นแต่ไม่มีความจำเป็นสาหรับพวกเราในการเอาไปใช้ในการดับความทุกข์ธรรมะที่เราต้องการก็คือธรรมะที่เราเอาไปใช้ในการดับความทุกข์ก็มีแค่สาม กลุ่มด้วยกันกลุ่มทานกลุ่มศีลแล้วกลุ่มภาวนาถ้าเรารู้สามกลุ่มนี้แล้วสามารถนำมัไปปฏิบัติให้เกิดผลได้เราก็ไม่จําเป็นจะต้องรู้อะไรเพราะเวลาปฏิบัติไปแล้วเราจะเรียนรู้เพิ่ ม, เ พ, มเพิ่มเติมขึ้นมาโดยอัตโนมัติความรู้ที่เกิดจากการปฏิบัตินี้มันจะโผล่ขึ้นมาเรื่อยๆผุดขึ้นมาเรื่อยๆเหมือนดอกเห็ดดอกเห็ดนี้เวลาน้ได้น้าฝนขึ้นมานี่เห็ดมันก็จะงอกขึ้นมางอกขึ้นมา ใจเรานี้ะเป็นแหล่งของความรู้พระพุทธเจ้าไม่ได้ไปเอาความรู้จากพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกนี่เอาความรู้จากใจของพระพุทธเจ้าความรู้ที่มีบรรจุไว้ในพระไตรปิฎกนี้เกิดจากความรู้ในใจของพระพุทธเจ้าเราความรู้ในใจของพระพุทธเจ้าก็เกิดจากการปฏิบัติภาวนาเนี่ยเจริญสมถะภาวนาสมวิปัสสนาภาวนาแล้วมันก็จะเริ่มเห็นอะไรที่เราไม่รู้ไม่เห็นมาก่อน พการภาวนานี้เป็นการเข้า huh. สู่โลกทิพย์โลกของจิตใจที่เราไม่เคยรู้เคยเห็นมาพอเราสามารถเข้าไปในโลกทิพย์ก็เหมือนกับสมัยนี้เขาสามารถส่งญานอวกาศขึ้นไปสํารวจดาวต่างๆได้การภาวนาก็เป็นเหมือนส่งญ่งยานอวกาศเข้าไปในใจเราส่งเข้าไปเพื่อเราจะได้สํารวจดูว่าใจของเรานี่มีอะไรมากน้อยเพียงไร ใที่เราอยู่ในโลกทิพย์โลกของใจนี้เป็นอย่างไรมีสวรรค์กี่ชั้นกันมีอะไรมีพมมีอินมีอะไรนี่จะจะเห็นได้อย่างชัดเจนจากการภาวนาแต่เรื่องราวเหล่านี้ไม่จำเป็นจะต้องรู้ในขณะที่เราปฏิบัติให้รู้วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องภาวนาทอยังไงเช่นนั่งสมาธินั่งอย่างไรถึงทำใจให้ ส, สงบให้ได้ก็ต้องมีสติกำกับอยู่กับครรมฐาน ให้รู้เท่านี้ก็พอพอจิตสงบแล้วมันก็จะเริ่มเห็นสิ่งแปล ก, ปลกใหม่ๆที่เราไม่เคยรู้เคยเห็นมาก่อน <c oughs> มีคำถามเข้ามาหรือยังมีค่ะพระอาจารย์จากทางยูทยูาค่ะกราบเรียนถามพระาจารย์เมื่อเข้าสมาธิรู้สึกสงบแล้วจะรู้สึกสงบสุขลึกเข้าไปอีกที่นี้สงสัยว่าควรทำอย่างไรต่อแล้วควรออกจากสมาธิเมื่อไหร่ และในขั้นของวิปัสสนานั้นควรจะเริ่มเมื่อไหร่หรือเราจะรู้เองครับคือถ้าจิตสงบจริงๆเนี่ยมันจะมีความสุขมากความสุขจนกระทั่งมันไม่อยากจะไปไหนไม่อยากจะออกไปไห น, ไ อ, ย อ, อ, ไไหนอยากจะให้มันอยู่ในสมาธิไปนานที่สุดเท่าที่จะนานได้แต่มันก็ขึ้นอยู่กับกาลังสติของเราถ้ากําลังสติเรามีน้อยมันก็อยู่ได้ไม่นานถ้าเรามีกาลังสติมากมันก็จะอยู่ได้นาน แต่ไม่ว่าจะนานหรือไม่นานหลังจากที่เราออกมาแล้วเราก็อยากจะกลับเข้าไปอีกเราก็จะฝึกสติให้มากขึ้นเจริญสติบ่อยๆมีเวลาว่างก็แทนที่จะไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสก็เปลี่ยนวิธีมาหาความสุขจากการเข้าสมาธิดีกว่าต่อไปเราก็จะไปอยู่คนเดียวไม่อยากจะยุ่งกับใครอยู่ในปา่าในเขาอยู่ที่สงบเอาเวลามานั่งสมาธิหาความสุขจากความสงบนี้ดีกว่า เพราะะนั้นเวลานั่งสมาธิไปนี้ถ้าเจอความสงบจริงๆแล้วมันจะไม่อยากออกอยากจะอยู่ไปเรื่อยๆจนกระทั่งเมื่อเราถึงขั้นหนึ่งเราชํานาญในสมาธิแล้วเราไม่อยากออกทีนี้เราต้องบังคับมันละเวลามันออกมานี่ต้องบังคับให้มันพิจารณาทางปัญญาแต่เราไม่พิจารณาทางปัญญาในขณะที่เราเข้าสมาธิเวลาเข้าสมาธินี้เราต้องการให้ใจนิ่งให้สงบไปนา น, าน เป็นเหมือนกับการชาร์จแบตเครื่องมือถือตอนนี้เวลาเราชาร์จแบตเราก็ไม่อยากจะใช้งานใช้งานแล้วแบตมันก็จะเต็มยากอันนี้ก็เหมือนกันเวลาเข้าสมาธิเรากําลังชาร์จกาลังของใจให้มีอุเบกขามากๆเพราะเราต้องใช้อุเบกขาในการที่จะมาสนับสนุนการเจริญปัญญาการเจริญปัญญานี้เพื่อไปไปต่อสู้กับกิเลสความโลภความโกรธความหลงต่งตางๆ ถ้าไม่มีสมาธิไม่มีอุเบกขาช่วยกับช่วยสนับสนุนปัญญาจะไม่มีกำลังสู้กับกิเลสได้หลังจากที่เราชํานาญในสมาธิเข้าออกสมาธิได้อย่างง่ายดายเท่าแล้วก็อยู่ได้นานต่อจากนั้นเวลาออกจากสมาธิมาก็ควรที่จะเล่ามาพิจารณาใจรักพิจารณาร่างกายว่าไม่เที่ยงเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาไม่สวยไม่งามเป็นอนสุขะ มีอาการต่างๆภายใต้ผิวหนังมีโครงกระดูกมีปอดมีตับมีไตมีลำไส้มีอะไรต่างๆสอนให้ใจให้เห็นความจริงของร่างกายเพื่อเราจะได้ไม่ไปหลงรักร่างกายของใครแม้แต่ร่างกายของเราก็เราก็จะไม่หลงรักเราอาจจะคิดว่าร่างกายเราสวยเราหล่อแต่พอเราพิจารณาอาการ3 2ขึ้นไปบ่อยๆมันก็จะเห็นว่ามันไม่สวยไม่หล่ อ, อเพียงแต่เรามองไม่เห็นมันเท่านั้นเอง ไปเราก็จะไม่เห็นว่าใครมีมความสวยความงามแต่อย่างใดความโน้ความที่จะไปหลงรักใครนี่ก็มันก็จะหมดไปเราจะไม่รู้สึกจะต้องมีแฟนมีอะไรอยู่คนเดียวก็สบายเราก็พิจารณาว่าไม่มีตัวตนร่างกายนี้ถ้าแยกอาการสามสิบสองออกมาก็หาตัวเราไม่เจอหรอกเราคิดว่าร่างกายเป็นเราแล้วถามเราอยู่ตรงไหนอยู่ที่ผมหรือเปล่าอยู่ที่ขนหรืออยู่ที่เล็บหรืออยู่ที่ฟัน เวลาถอนเล็บถอนฟันไปแล้วเราหายไปด้วยหรือเปล่ามันก็ไม่หายเราก็จะได้ข้อสรุปว่าไม่มีตัวเราในร่างกายเราเป็นใจผู้รู้ผู้คิดผู้มาครอบของร่างกายด้วยใช้ดยการใช้ความคิดสั่งให้ร่างกายไปทำอะไรต่างๆเราใช้การรับรู้จังตาหูจมูกมนิ้วกายให้รับรู้ว่ากำลังเห็นรูปได้ยินเสียงอะไรท่านั้นแหละคือนี่คือความสัมพันธ์ของกายกับใจใจไม่ได้เป็นร่างกาย ใจนี้ไม่มีวันตายร่างกายไม่เที่ยงมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็ต้องปล่อยให้มันแก่เจบ็บตายถ้าไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันจะทุกข์มันจะกลัวที่เรากลัวความแก่กลัวความเจ็บกันก็เพราะว่าเราคิดว่าเราเป็นร่างกายแต่ควจริงเราไม่ได้เป็นร่างกายเราความความกลัวความแก่ความเจ็บก็ไม่ได้ทําให้เกิดให้ความแก่ความเจ็บความตายหายไปจับจะทําให้ใจเราทุกข์ ถ้าใจเราเฉยๆกับมันไปไม่กลัวมันพอละราห้ามมันไม่ได้มันจะแก่จะเจบ็บจะตายก็ปล่อยมันแก่เจ็บตายไปใจเราก็จะไม่ทุกข์เราก็ไม่หวาดกลัวในี่ ใ, ใจเราก็จะไม่ทุกข์กับร่างกายได้นี่คือการเจริญปัญญาต้องทำในขณะที่เราไม่ได้อยู่ในสมาธิถ้าเราเจริญปัญญาบ้างๆแล้วใจเริ่มฟุ้งเราก็หยุดจเจริญปัญญาไว้ชั่วคราวแล้วก็กลับไปทาสมาธิทาใจให้หายฟุ้งก่อน ทำใจให้นิ่งให้สงบพอจิตอใจได้พักอยู่ในความสงบ พ, พอถอนออกมาก็มาพิจารณาต่อพิจารณาจนกว่าเราจะเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายไม่เที่ยงต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราปล่อยได้เราไม่ทุกข์กับมันได้เราก็หลุดพ้นจากความทุกข์ในเรื่องของร่างกายได้ต้องทำคนลทำกันคนระวาระกันเวลาทําสมาธินี้ไม่ไม่ไม่ใช้ปัญญาไม่พิจารณาทางปัญญา ต้องการความนิ่งความสงบอย่างเดียวแต่เวลาออกจากสมาธิมาต้องพิจารณานี่ก็ไม่กังวลกับความสงบต้องการจะพิจารณาให้เห็นว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังนั้าตาเพื่อเราจะได้ปล่อยวางได้อย่างเวลาเราเราออกจากสมาธิอะค่ะมันไม่อยากพูดคุยกับใครนี่คือเราก็ไม่เป็นไรที่นักปฏิบัติก็ไม่ต้องคุยกันกับใครคุยแล้วเดี๋ยวจิตมันก็ฟุ้งขึ้นมาใหม่ เราก็พยายามให้มันสงบนานๆเอามามันไม่อยากจะพูดกับใครก็ดีมันไม่อยากจะกินจะดื่นได้ยิ่งดีแต่ถ้ามันอยากจะกินจะดื่มก็ต้องใช้ปัญญามาสอนใจว่าของเรานี่เป็นเหมือนยาเสพติดถ้ามันจำเป็นจะต้องกินต้องดื่มอย่าไปเสพมันเสพแล้วมันจะติดแล้วอยากจะกินอยู่เรื่อยๆอยากจะดื่มอยู่เรื่อยๆแต่กินจะดื่มต้องมีเวลากินดื่มเพื่อร่างกายไม่ได้กินดื่มตามความอยาก เจ้าค่ะจากทางเฟ e บุ๊กขอคาแนะนาฝึกสมาธิให้มีสติควรมีข้อวัดกำหนดเวลาใหม่คะยังหักห้ามใจซื้อของช้อปปิง้งติดรสชาติอาหารไม่ได้เจ้าค่ะขอคาแนะนาค่ะเพราะเราไม่มีสติไงเราต้องฝึกสติทั้งทั้งวันเลยพอลืมตาขึ้นมากเม็เริ่มฝึกสติได้เลยพอตื่นขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธไปภายในใจ ไม่ว่าเราจะไปทํากิจอะไรอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารก็พุทโธพุทโธพุทโธไปแล้วต่อไปพุทโธนี้มันก็จะสามารถมาหยุดความอยากต่างๆได้เวลานั่งสมาธิก็จิตก็จะสงบง่ายถ้าเราไม่ฝึกมาก่อนเวลานั่งแล้วจิตมันก็จะคิดไปเรื่อยเปื่อยหยุดมันยากแต่ถ้าเราหยุดมันก่อนที่เราจะมานั่งสมาธิได้มันก็จะง่ายเวลานั่งสมาธิถ้าเราพุทโธพุทโธเราก็จะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้ เราคิดตรงนั้นตรงนี้แสดงว่าเราไม่พูดโทนะเราก็ต้องกลับมาที่พูดโธไปเรยพยายามคอยสกัดความคิดลดความคิดลงให้น้อยลงไปคิดเท่าที่จําเป็นต้องคิดถ้าไม่จําเป็นจะต้องคิดก็อย่าไปคิดเจ้าค่ะจ้าช่องดอตอ็ตรวีเจ้าค่ะกราบในมรดกการเจ้าค่ะดิฉันรู้ตัวดีว่าเป็นคนยึดติด ท, ทุกอย่างซึ่งทําให้ใจต้องทุกข์กับทุกอย่างทุกเรื่องอยากถามพระอาจารย์ว่า มีทางใดบ้างที่จะทําให้ปล่อยวางได้ขอคําแนะนําจากพระอาจารย์ด้วยค่ะกราบขอพระคุณเจ้าค่ะก็ความทุกนี้แหละมันจะทําให้เราปล่อยวางถ้าเราทุกมากๆเราก็ไม่เอาดีกว่าใช่ไหมทุกับสิ่งนี้มากๆก็เลิกมันดีกว่าไปทุกกับมันทําไมงั้นบางทีคนเราต้องเห็นทุกก่อนมันถึงจะถึงจะเลิกได้ทำไมยังเห็นว่าเป็นสุขอยู่มันก็ยังติดอยู่ เพราะฉะนั้นเวลาเราเห็นแล้วว่าเป็นสุขเราให้คิดว่าต่อไปมันจะต้องกลายเป็นความทุกข์สิ่งที่เราได้มาใหม่ๆมันอาจจะดีแต่ดำนินเข้ามันก็อาจจะเก่ามันอาจจะเสียจะเปลี่ยนไปแล้วมันก็จะทำให้เราทุกข์ได้เจาค่ะจากทาง Youtube เห็นใน t i k t อกว่าจิตดวงสุดท้ายก่อนตายสำคัญมากงั้นคำพูดที่ว่าทาดีขึ้นสวรรค์ทาชั่วลงนรกพูดถูกไหมครับ จนัไม่ได้อยู่ที่จิตสุดท้ายหรอกจะไปสวรรค์ไปนรกนี้มันอยู่ที่บุญที่บาปที่เราทําในขณะที่เรามีชีวิตอยู่นี่ถ้าบุญเรามีมากกว่าบาปจิตสุดท้ายมันก็จะเป็นบุญถ้าบาปมากกว่าบุญจิตสุดท้ายมันก็จะเป็นบาปมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเรามาทําจิตสุดท้ายให้เป็นบุญได้ทันทีหรือเป็นมันทําไม่ได้หรอกเพราะมันเป็นผลลัพธ์ของการทําบุญทําบาปของเราที่เราทําอยู่กันทุกวันนี้เหมือนสิ้นปีเราไปปิดบัญชี เป็นบชีทำให้มันเป็นบวกได้ไหมถ้ามันเป็นลบอะเราเขียนเป็นตัวเลขมันเป็นบวกได้แต่มันโกหกอะไม่ใช่เป็นของจริงอันนี้ก็เหมือนการจิตสุดท้ายเราจะบอกว่าเราจะทําให้จิตเราสงบมีความสุขเป็นบุญเนยมันทําได้จริงหรือเปล่ามันทําไม่ได้หรอกเวลาจะตายนี่มันเครียดจะตายไหมมันวุ่นวายจะตายไหมเวลาจะตายนี่เราทําได้อยู่สองอย่างทําให้มันสงบหรือไม่สงบเท่านั้นเองถ้าทําให้สงบมันก็ตายแบบสบายเอ ถ้าทำไม่ถ้าทำให้สงบไม่ได้มันก็ตายแบบทรมานแต่เรื่องของจะไปสวรรค์หรือนอกโลตอนนี้มันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราตายสงบหรือไม่สงบมันอยู่ที่บุญที่บาปเราได้สะสมไว้ในใจเราว่าฝ่ายไหนมีกําลังมากกว่ากันถ้าบาปมีกําลังมากกว่าบาปมันก็จะดึงไปดึงไปอบายถ้าบุญมีมากกว่าบุญมันก็จะดึงไปสวรรค์ส่วนใหญ่ถ้าตายอย่างสงบนี้สแสดงว่าบุญจะมีมากกว่า ถาตายไม่สงบนี่ส่วนใหญ่มันจะบอกว่าบาปนมนมนี ม, มากกว่าบุญเจ้าค่ะจากทางยูทูบกราบเรียนถามพระอาจารย์ครับธรรมะในการปฏิบัติให้เกิดสมาธินั้นเราจะจับเฉพาะกะสินสิบได้ไหมครับบางท่านกลัวว่าจะติดฤทธิ์ก็มันมีอยู่40่สชนิดด้วยการกรรมฐานที่เราสามารถใช้เป็นอารมณ์กํากับใจให้สงบได้ถ้าเราใช้กรรม ใช้กระสินเป็นก็ใช้กสินก็ได้แต่กระสินเราก็ไม่ได้ใช้ทีเดียวสิบอย่างเราก็เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งเอาสีแดงสีเขียวสีขาวหรืออะไรทำนองนี้ไม่ใช่เอาทั้งสิบอย่างมาปนกันทีเดียวมันไม่ได้หรอก mm hmm. ก็เอาอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ทางทางสายปฏิบัติของเรานี้เราไม่นิยมใช้กสินกันเพราะมันยากใช้พุทโธมันง่ายกว่าหรือใช้ดูลมมันง่ายกว่ามันชัดกว่ากสินนี่ต้องนึกขึ้นมา เช็นถ้าเราใช้สีขาวนี่เราต้องนึกถึงสีขาวหลับตาแล้วนึกถึงสีขาวให้สีขาวปรากฏอยู่ในใจเราตลอดเวลาซึ่งมันต้องใช้กําลังสติมากที่จะผลิตสีขาวขึ้นมาในใจของเราได้แต่ถ้าดูลมนี่มันก็ง่ายลมมันมีอยู่แล้วก็สังเกตดูว่าดูที่ปลายจมูกก็ดูลมได้แล้วหรือถ้าจะใช้พุโทโธเราก็นึกถึงพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปอันนเราบ่างคยนิยมใช้กสินกันแต่สําหรับบางคนบางคนถ้าเคยใช้กสินมาในชาติก่อน แล้วถ้าเหตุกัสินก็ใชไไ้ได้ไม่ได้ไม่มีข้อห้ามแต่อย่างใดแล้วอย่างถ้าถ้าที่เขาให้กําหนดดวงแก้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คล้ายๆกันดวงแก้วเหมือนกับกัศินอย่างหนึ่งเป็นรูปกํากหนดรูปเราพอได้กำหนดรูปพระพุทธรูปขึ้นมาในใจก็ได้เนี่ยคำถามจากทางเ facebook เจ้าค่ะถ้าถูกบีบให้ละออกด้วยนโยบายลดค่าใช้จ่ายลดคนต้องอดทนต่อคํา จำหนีกล่าวหาบีบคัน้นหรือควรละออกพอพิจารณาตัดสินใจอย่างไรเพราะคนก่อนหน้าที่ถูกบีบเป็นโรคซึมเศร้าไม่แน่ใจว่าจิตใจจะเข้มแข็งพอไม่เป็นโรคซึมเศร้าหรือไม่ค่ะก็ว่าผลดูว่าผลมันจะดีไม่ดีอย่างไรถ้าอยู่แล้วผลไม่ดีไปดีกว่าก็ไปดีกว่าถ้าอยู่แล้วผลยังดีอยู่ไปแล้วแย่ yeah, เพราะไม่มีรายได้ไม่มีเงินเดือนก็อยู่ต่อไป ต้องดูผลว่าเราสามารถที่จะรับรับผลอย่างไรได้มันหรือไม่อันไหนดีกว่ากันอยู่แล้วดีก็อยู่ไปอยู่แล้วไม่ดีก็ไปก็แล้วกันเจค่ะาจากเฟบุ๊กเจ้าค่ะขอความเมตตาพระชาจารอธิบายบทสวดมนต์ที่ว่ามีขันหา้ามีขันขันเดียวมีขันสี่กำลังท่องเที่ยวไปใน พบน้อยพบใหญ่กราบขอพ่คุณเจ้าค่ะก็ขันห้าก็มันรูปขันก็คือร่างกายอีกนามขันสี่ก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่มีอยู่ในใจเวลาใจร่างกายตายไปใจก็เหลือแค่ขันสี่เหลือแต่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวลาใจเข้าสมาธิใจก็เหลือแต่ขันเดียวคือสัญญาณขันรู้รู้มีแต่สักแต่ว่ารู้อยู่ ก็มีแค่นี้แหละไม่มีอะไรวิเศษไ ม, ม่พิสดารหรอกเจ้าค่ะจากคุณเพียนพิษพระอาจารย์เดินคือคุ ณ, ค, ณคุณเพียนพิษอะคะ่ะบอกว่าเดินจงกรมทุกๆุกเช้าวันละหนึ่งชั่วโมงแล้วมานั่งต่อได้ประมาณสามถึงสี่สิบห้านาทีส่วนกลางวันก็ได้ทำบ้างเจริญสติตลอดพิจารณาร่างกายและสติบางครั้ง ถ้าบางครั้งก็ฟุ้งบ้างแบบนี้โยมต้องปรับตัวเองมากขนาดไหนต่อคะก็ปรับไปเรื่อยๆจนกว่ามันหายฟุง้งเดี๋ยวขอขอแก้คําตอบเมื่อกี้หน่อยเรื่องขันสี่ขันหนึ่งขันห้าขันห้าก็มีร่างกายแล้วก็มีเวทนาสัญญาสังขารซึ่งเป็นนมามขันเวลาร่างกายตายไปก็เหลือขันส mm ี hmm. ่เวลาจิตรวมเข้าสู่สมาธิก็เหลือตัวรู้ตัวเดียวสักแต่ว่ารู้อันนี้เขาเรียกว่าขัน ขันหนึ่งไม่ใช่สัญญาเข้าใจผิดเดี๋ยวพูดผิดไป <แ S 1> สัญญาเป็นนามะขันเป็นสัญญาจะทํางานพร้อมกันสี่กันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันจะทํางานร่วมกันพอมันหยุดพอจะเข้าสมาธิขันทั้งสี่นี้มันหยุดทํางานก็เหลือแต่จิตตัวรู้ตัวเดียวสักแต่ว่ารู้เขาก็เรียกว่าตัวนี้เป็นขันหนึ่งไป เช้าค่ะจากเฟ e บุ o กเจ้าค่ะกราบยินถามพระอาจารย์เมื่อเข้าสมาธิรู้สึกสงบแล้วจนรู้สึกสงบสุขลึกเข้าไปอีกสงสัยว่าควรทำอย่างไรต่อแล้วควรออกจากสมาธิเมื่อไรและในขั้นของวิปัสสนานั้นควรจะเริ่มเมื่อไหร่หรือเราจะรู้สึกเองครับอันนี้เมื่อกี้ถามไปแล้วตอบแล้ถามก็ไม่ <laughs> เอาแค เ, เอาคาถามสุดท้ายนะถ้านยังมีอยู่ เวาใกล้จะหมดละค่ะจาก a ฟ e b o o k ค่ะกราบดนระสการพระอาจารย์ชอค่ะทำไมบางคนนั่งสมาธิแล้วเกิดนิมิตคะกราบขอพระคุณค่ะก็จะอิไรของแต่ละคนไม่เหมือนกันนั้นมันเหมือนข้อสำคัญก็คือเวลานั่งสมาธิไม่ควรจะไปสนใจนิมิตเพราะนิมิตนี้มันก็จะเป็นของกลอมก็ได้ของจริงก็ได้ถ้าเราไปหลงนิมิตเราก็จะกลายเป็นคนบ้าได้ไป เพราเวลานั่งสมาธิอย่าไปมีนิมิตจะดีกว่าถ้ามีก็อย่าไปสนใจให้กลับมาอยู่ที่กรรมฐานแล้วเดี๋ยวนิมิตมันก็จะหายไปเอาล้วนะวันนี้สําหรับเวลาก็หมดพอดีขอให้ท่านจงนําเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิตรพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเทิร์น